ทุกส่วนี่ครพค่ะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันสนาสนทนาซึ่งเช้าตรูที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสถานีวิทยุที่เสนอรายการทันสมัยข่าวทันเหตุการณ์ถ่ายทอดจากทางช่อง3เป็นหลักกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะจะเป็นครึ่งเวลาที่เรียนเชื่อว่ามีความหมายสําหรับผู้ที่ศรัทธาในพระศ า, าสดาเอย่างยิ่งค่ะ ามาเริ่มต้นกรรันด้วยการปฏิบัติไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่จะมาฟังการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวัจนะกับพระภัยบูลอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธา น, นีค่ะนมรักการกันท่านคะเชื่อฟัค่ะวันนี้ทราบว่ามีหลวงพ่อดออรสะอาดมาเป็นกุลังใจอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ท่านก็จะ ม, มาฟังอยู่เป็นประจำท่านรู้คะเราก็มากราบน้มักการท่านพร้อมๆกันนะคะสําหรับ ท่านจะเอาวาดวัดปา่าดอนหายโศกจกังหวัดอุดรธานีหลวงพ่อดอรสะอาดท่านอาจารย์ของพระอาจารย์ไพล์บูล น, นะคะนมรักการกระทั้งคะหลวงพ่อก็อยู่ในรายการฟังอยู่ด้วยค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องพุทธประวัตินิดนึ่งในเรื่องของพุทธประวัติเรายังอยู่ในหมวดที่เรื่องความพิเศษเกี่ยวกับผู้รู้จักนิดหนึ่งก็ผู้รู้จักเคยคุยกับนิครนนะคือพวกที่เขาปฏิบัติทรมานตัวเองนะ ซึ่งนสายงานนี้ก็ยังมีอยู่ในอินเดียนะคือพวกนี้เขาก็จะทําความความเก็เรียกวความลําบากให้ตัวเองอย่างเช่นยืนขาเดียวบ้างเอาตัวยืนสี่ขาบ้างบางคนทําความลําบากต่างๆทำทุ ก, กรเรกกิริยาลักษณะนั้นก็พระเจ้าก็เคยทําพวกนี้มาก่อนแล้วก็ก็เคยครั้งหนึ่งก็ได้ไปสนทนากับพวกนิกรนเหล่านีนะ้ที่เขามีความเชื่อยอย่างนั้นก็เพราะว่าต้องทําแบบ ให้ตัวเองลำบากลำบากเนี่ยเพื่อใช้กรรมเก่าที่ตัวเองมีนะกรรมเก่าที่ฉันทําไม่ดีเอาไว้เนี่ยต้องถูกลงโทษใช่ไหมพระเจ้าจะมาลงโทษฉันลงโทษก่อนเลยนะเพื่อทําให้บาปกรำเหล่านั้นเนี่ยมันหมดหมดไปซะนะจะได้เป็นที่โปรดป ร, รานของเราพระเจ้าอย่างนั้นนะ<ม>เขาก็มีความเชื่ออันนี้พระเจ้าก็เลยไปถามว่าเอาแล้วเธอรู้ไหมว่าที่กรรมเก่าที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันเป็นอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าก็ไม่รู้แล้วที่ทําไปเนี่ย มันชดเชยตรงส่วนไหนไปรู้ไหมเขาก็บอกเขาไม่รู้แล้วไอ้กรรมเก่าที่ไอ้ที่ทรมานตัวเองอยู่เนี่ยมันไปใช้ในส่วนไหนในการก่อนรู้ไหมเขาก็บอกว่าไม่รู้อีกในเมื่อไม่รู้ไม่รู้อย่างนี้แล้วมันก็ฟังไม่ขึ้นเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าทําก่อนเมื่อเป็นยังไงตอนนี้ที่ที่ทำอยู่เนี่ยมันแก้ของเก่าหรือแก้ของใหม่กันแน่เนี่ยแล้วก็วัดไม่ได้ไม่เห็นอย่างนี้ก็ชื่อว่ามันมัน ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ <Okay. S 1> แล้วก็ถ้าคนที่ทํากรรมไม่ดีมาจะต้องเกิดมาไม่ดีเนี่ยมารับกรรมทรมานเนี่ยแสดงว่าพวกนิครเหล่านี้เคยทําไม่ดีมาก่อนจึงต้องมารับกรรมทรมานในะบัดนี้ <Okay. S 1> นี่ก็คือแก้ลัทธิที่เรียกว่าทรมานตัวเองด้วยการทําทุกขระกิริยานะเป็นการ mm hmm. ทําให้เข้าใจถูกว่าไอบาปเก่าเนี่ยมันไม่ได้แก้ด้วยการทําทุกขระกิริยานะ <Okay. S 1> นะแล้วก็ถ้า บางคนก็จะมีความเชื่อว่าเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ผลของกรรมในการกอ่อดงีพุชาก็พูดว่ากรรมพูดนั้นไม่ถูกต้องนะคือมันมีทั้งมีกรรมเก่ามีกรรมใหม่กรรมที่ให้ผลอย่างเต็มที่กรรมที่ให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาก็มีเยอะแยะเรื่องน่าพิเศษอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความเป็นพุทธเจ้าก็คือว่าตอนนั้นออตอนกลางคืนแล้ว นะประมาณสักยามที่ยามที่สมของราตรีนี่แหละมีเทวดาสองตนนะสว่างมากนะมีแสงสว่างมากเข้าไปที่ภูเขาคิชกูตแล้วก็ไปคุยกับพระพุทธเจ้าเรื่องของวิมุตนะคื อ, อพูดถึงพิกษุณีรูปหนึ่งที่เป็นพระอารหันต์แล้วนะแล้วก็เทวดาเหล่านั้นก็ได้มาสันเรินพิกษุณีองค์นั้นนะนะค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันทำไมเทวดาไปทราบได้ว่าพิสูจ น, นนี้อนังเป็นพระอาราัน์แล้วอะไรอย่างเงี้ย น, นะแต่พระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังให้เฉยแตะ ว, ว่ามีมา เ, เราก็มีครั้งหนึ่งได้สนทนากับเทวดาชื่อโรหิตตัสส ะ, ะเทวดาโรหิตตัสสะเนี่ยมาหาพรุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าเอ๊ะที่สุดของโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนพนะพุทธเจ้าก็บอกว่าที่สุดแห่งโลกเนี่ยนะ ไม่ได้ที่จะไปถึงได้ด้วยการมาการไปนะที่สุดแห่งโลกที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเนี่ยไปถึงได้ด้วยไม่ใช่การมาการไปเทวดาที่ชื่อโรหิตศาสตร์เนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นฤาษีมา ก, ก่อนคุณหยมติว๋วเป็นฤาษีที่มีฤทธ์นะเหาะไปในอากาศได้นะเหาะเนี่ยไม่ใช่เหาะช้าๆเหาะเร็วด้วยเร็วขนาดว่าความเร็วของลูกธนูเนี่ยที่ยิงไปเน้นะด้วย อาจารย์ผู้คล่องแคล่วในการยิงธนูขนาดหนักนะยิงไปรวดเร็วมากแล้วก็แม่นมากยิงไปเสร็จเนี่ยมีความเร็วในการบินไปขนาดนี้นะมีครั้งหนึ่งด้วยความคิดนี้ก็คือว่าคิดจะไปถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการบินไปนะก็เลยงดการดื่มการกินการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะงดหมดนะอันเป็นเครื่องบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยแล้วก็บินไปนะมีอายุอยู่ตลอด100ปีเนี่ยเดินทางทั้ง100ปีเนี่ย ก็ยังไม่ถึงที่สุดโลกเลยตายเสียระหว่างทางพอตายแล้วก็เลยมาเกิดเป็นเทวดาชื่อโรหิตาสเทวบุตรแล้ว ก, ก็มาคุยกับพระเจ้านี่แหละนะเพราะตัวเองตายในระหว่างการเดินทางก็ยังไม่ถึงที่สุดโลกเลยเนี่ยก็เลยมาหาพระเจ้าแล้วก็ถามว่าที่สุดโลกมันอยู่ตรงไหนไปด้วยด้วยการมากันไปไหมพระเจ้าบอกไม่ใช่นะแต่ว่าในร่างกายของเรานี่แหละนะที่อ่ายาววานึงนะแล้วก็ก้ากว้างสอกหนึ่งเนี่ยที่ประกอบด้วยสัญญาและใจ นี่แหละคือโลกคือเหตุเกิดของโลคความดับไม่เหลือของโลกตรงนี้คือโลกทั้งหมดค่ะอออยู่ที่นี่นั่นเองบางนั่นเถอะนี่คือเรื่องของอพุทธประวัติความพิเศษนิดนึงเป็นเรื่องที่เราก็ไม่เคยได้ยินกรรมกร น, นะคะแบบเนี้ยค่ะออื <c oughs> คุยกับเทวดาบ้างอะไรบ้างน ะ, ะอืทีนี้มาถึงเรื่องอริสสัตว์สี่อริสสัตวสี่ที่ตอนนี้เราอยู่ในความดับ บุคคลที่ดับตัญหาได้นะบุคคลที่ดับตัญหาได้ก็คืออริยะบุคคลตั้งแต่ไล่กันขึ้นไปเนีะดับได้สุดก็เป็นอรหรันตะ์ดับได้บางส่วนนะก็คือโสดาบันทีนี้พูดถึงโสดาบันกันอยู่ว่าโสดาบันเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมเราพูดไปแล้วบ้างทีนี้เรามาเปรียบเทียบความเป็นโสดาบันเนี่ยมันดียังไงพรนะพุทธเจ้าเคยบอกว่าโสดาบันเนี่ยนะถ้ามาเปรียบเทียบกับพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ย ครองความเป็นใหญ่ยิ่งนะทั้งสี่ทั่วสมุดทั้งสี่คือด้านเหนือไปเนี่ย <c oughs> จนจรวดมาสมุดด้านตะวันออกตะวันตกด้านใต้ไปจนจรวดมาสมุดเนี่ยเป็นดินแดนของพระเจ้าจักรพรรดิหมดนะ<อ>มีทรัพย์เจอย่างมีฤทธิ์สี่อย่างนะเป็นคนที่มีอํานาจมากทั่วโลกมีกษัตริย์องค์เดียวคือพระเจ้าจักรพรรดิองนี้<อ>นะความสุขที่พระเจ้าจักรพรรดิองนี้ได้เนี่ยนะก็จะยังน้อยกว่าโสดาบันโดยซ้ํา น้ยขนาดไหนเอาความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิองนี้เอาความสุขของโสดาบันนะเอาแบ่งเพื่บท16ส่วนเอามาส่วนเดียวเนี่ยไปเปรียบเทียบกับความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยังไม่ได้เลยนะคือความเป็นพระเจ้าจัากรพรรดิเนี่ยยังน้อยกว่า1ใน16ส่วนของความสุขที่โสดาบันมีบางกันเถอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าจัากรพรรดิเนี่ยนะมีความสุขขนาดนี้เนี่ยนะตายไปเนี่ยก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นอีกอาจจะไปได้อยู่เทวดาชั้นดาวดึง <น> <Okay. S 1> เป็นเทวดาชั้นเดาถึงยิ่งมีความสุขมากกว่าที่พระเจ้าจักรพรรดมีอีกนะแต่ว่าพอหลังจากเป็นเทวดาแล้วเนี่ยนะไปไหนนี่ไม่รู้เลยนะอาจจะไปนรกก็ได้ <Okay. S 1> นะเหมือนกับโยนไม้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันอาจจะตกลงมาหัวหรือก้อยนี่เราไม่รู้เลยนะแต่สำหรับโสดบันเนี่ยนะโสดบันนะต่อให้ไปบินธบด้วยปรีแข่งของตัวเองน <Okay. S 1> ุ่งห่มผ้าปอนๆไม่มีชายนะแล้วก็ไปบินธบด้วยตัวเอง แต่ถ้าแต่ถ้ามีเป็นโซดาบัล น, นะมีโสดาปฏิยองคัสสีเนี่ยก็จะสามารถรอดพ้นเสียได้จากนารกําเนิดเดรัจฉานแล้วก็เปรตวิสัยนะการได้โซดาปฏิยองคัสสีเนี่ยนะมีค่ามากกว่านะการได้ทวิบทั้งสนีะ่ไม่ถึงหนึ่งในสิบบกเซี่ยวด้วยซ้ําคอำนักแสด น, น, นี้คือโสดาบัลแล้วก็โสดาบัล น, นี่ยังมีความอันนี้สองหกอย่างคือสมมติถ้าใครคนใดคนหนึ่งเป็นโซดาบันเนี่ยนะ เขาจะมีความสามารถอย่างนี้บอกว่าจะเป็นผู้ที่เห็นธรรมทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุได้เ <Okay. S 1> นะีเหมือนอย่างตอนที่พระอัสสชิมาแสดงธรรมให้ท่านพระสารีบุตรฟังนะว่าที่พระสมณะเนี่ยตรัสถึงเหตุเกิดของธรรมนั้นแล้วก็ความดับไปของธรรมนั้นเนี่ยท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะได้บรรลุเป็นโสดาบันก็มีความเห็นว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา นะ ค, คือทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเห็นอย่างนี้ได้เป็นโสดาบันก่อนละคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งอันนี้สองอีกอย่างหนึ่งของความเป็นโสดาบันก็คือว่าเป็นบุคคลผู้เที่ยงแท้ต่อพรนะธรรมนมีความตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเกินะอดอีกไม่มีไม่มีทางเป็นชาติที่แปดอย่างมากเจ็ดชาติอย่างนี้เป็นต้นคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่สําคัญสําคัญเกี่ยวกับอริยบุคคล นะที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าพิเจ้าเคยพูดถึง อ, อ, อุปมารของการฝึกช้างนะว่าช้างที่ประกอบด้วยคุณสมบัติ4อย่างเนี่ยคือเป็นช้างที่คู่ควรแก่พระราชานきะたคือช้างที่รู้ฟังนะช้างที่รู้ประหาร ช, ช้างที่รู้อดทนแล้วก็ช้างที่รู้ไปช้างที่รู้ฟังก็คือว่าไม่ว่าความช้างจะสั่งอะไรเนี่ย เคยทําหรือไม่เคยทำนะฟังหมดเลยตั้งใจฟังอย่างดีแล้วก็ทําตามนี่คือช้างที่รู้ฟังเปรเียบกับอริยะบุคคลนะที่เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่เนี่ยจะรวบรวมจิตทั้งหมดมาเงียโสดคอยสลับฟังทำอยู่นี่คือเรียกว่าเป็นอริยะสาวกที่เป็นผู้รู้ฟังแต่เปรเียบเทียบกับช้างอย่างที่2คือช้างที่รู้ประหารช้างรู้ประหารประหารนี่หมายถึงซัดหมายถึงยิงหมายถึงตีนะ ไม่ใช่แบบฆ่ากันเฉยๆประหารเนี่ยช้างรู้ประหารเนี่ยคือพอเข้าสู่สงครามเนี่ยเขาต้องประหารหลังช้างบ้างประหารคนอยู่บนหลังช้างบ้างประหารม้าบ้างคือรู้หน้าที่ในการที่จะทําสงครามเช่นเดียวกันกันกบอริยสาวกเนี่ยเป็นผู้รู้ประหารเนี่ยคือละนั้นะละกามละพยาบาทละเบียดเบียนละอกุศลละให้สิ้นสุดละให้หมดเลยไม่ให้มีนั่นคือละทิ้งบางเถอ น, นี่คือเธอผู้รู้ประหาร อีกอย่างหนึ่งของช้างนะที่ดีก็คือว่าช้างที่รู้ป่อาอช้างรู้อดทนช้างเวลาเข้าสู่สงครามเนี่ยนะถูกแทงด้วยห อ, อกด้วยดาบด้วยลาวด้วยหวายนะอดข้าวบ้างไม่ได้กินบ้างก็ยังอดทนอยู่นะเช่นเดียวกันกับภิกษุนะหรือว่าอริยะบุคคลเนี่ยอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อถ้อยคําอันหยาบคายร้ายกานะอดทนต่อสัมผัสที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจได้นะนี้เรียกว่าเป็น ผู้ที่รู้อดทนที่น่าสนใจคือตรงนี้อันสุดท้ายนี่ที่บอกว่าช้างต้นที่รู้ไปหมายความว่าไงหมายความว่าความความช้างเนี่ยจะส่งไปสู่ทิศใดที่เคยไปหรือไม่เคยไปก็ตามย่อมไปสู่ทิศนั้นโดยพลันอาเริยสาวก็เหมือนกันในตลอดการอันยืดยาวนานถึงเพียงนี้เนี่ยทิศใดที่ยังไม่เคยไปนั่นคือนิพพานเธอก็ไปสู่ทิศนั้นโดยพลันทีเดียว น่าสนใจไหมอันนี้น่าสนใจคะ่ะเป็นการอุปมา<จ><ย>ใช่ค่ะแล้วก็คือในเราเกิดมาในสังสารวัตรเนี่ยคุณโยมติ๋วมันนานมากจริงๆน ะ, ะไปหมดนะผู้เจ้ายังเคยมาพูดให้ฟังว่าในสังสารวัตที่พระองค์เกิดมาเนี่ยนะไม่มีพบไหนที่พระองค์ไม่เคยไปเลยยกเว้นสุาาทาวาสพรห ม, มนะซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีนะถ้าใครไปอยู่ในพบนี้เนี่ย จะต้องบรรลุเป็นพระราในภพนี้แหละจะไม่มีไปอยู่ภพอื่นแล้วมันพระพุทธเจาไม่เคยเป็นอนาคามีมาก่อนจึงไม่เคยไปบังเกิดในภพนี้นนเราก็เหมือนกันคนที่ยังไม่ได้เป็นพระ อ, อนาคามีบุคคลเนี่ยก็จะไปเกิดมาทุกที่แล้วละ่ะนรกกำเนิดเดได้ใช้เปรตวิสัยเทวดาไม่ว่าขั้นไหนขั้นไหนพรมเนี่ยไปเกิดมาหมดแล้วมีอยู่ที่เดียวไม่เคยไปคือนิพพาน ท่านพบูลค่ะดิฉันอยากกลับเรียนถามว่าอย่างกับพระพุธทธองของเราเนี่ยนะคะการที่จะก้าวสูงขึ้นไปเป็นพระพุทธเจ้าคื อ, อเป็นพระอรหันต์ที่ตัดสรุปแล้ว<ร>ก็สอบได้นี่นะค ะ, ะท่านจะต้องไต่เต้าไหมคะหรือว่าท่านตรัสรุปปุ๊บ ก, ก็จากคนธรรมดาธรรมดาไปเป็นพระอรหันต์เลยหมายถึงตอนที่บรรลุอยู่ใต้ต้นไมโพนันใช่ไหมใช่ค่ะ อ๋อใต่ต้นไม้โพธินี่คือเป็นพระอรหันเลยขอในประชานี้เนี่ยนะคะใช่จากอรียบุคคลเนี่ยาจากเขาเรียกว่าปุถุชนธรรมดานะโพธ่สัตว์ธรรมดาเนี่ยเป็นพระอารหาันเลยเ ค, คือละได้หมดเลยค่ะอ่คือความความที่ละโสดาบันสกัดคาเมนะคาเมอารหันเนี่ยนะบางคนอาจจะบอกว่าต้องเป็นลําดับลําดับมันก็ก็ได้มันก็ไม่แน่แตคือลําดับนี้อาจจะรวดเร็วมาก หรือว่าอาจจะติดหรือห่าง ก, กันเป็นปีๆห่าง ก, กันเป็นหลายๆชาติก็มีค่ ะ, ะหรืออาจจะติดกันพวหลดเลยเแต่เท่ากับว่าในพุทธ ป, ประวัติที่ทรงเล่าเองเนี่ยไม่ได้ตราสถึงว่าจะต้องตายเต้าว่าอย่างงั้นค่ะอ๋อไม่มีไม่มีคือเป็ น, <ใ>นพระอร า, านไปเลยจบเลยแบดเสร็จเดี๋ยวนั้นค่ะเลยขอนําเรื่องพุทธประวัติมาถามในช่วงอริยสัจสี่นะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของอริยสัจสีในวันนี้ค่ะ นะะในช่วงเวลาของท่านเพบูุญแลพิพุนโนเปิดทำที่ถูกปิดด้วยพุณทวัจนะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ท่านก็ยังดําเนินรายการอยู่ที่ ท, ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเวลานี้ไหมคะใช่ตีห้านะคะตีห้าก็ไม่ต้องหยุดถ้าท่านคิดว่าธรรมะที่ต้องฟังทุกวันนะคะหมุนคลื่นไปนิดหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าต้องหมุนกลับนะคะเมื่อถึงวันจนันทร์เพื่อที่จะมาพบกับรายการสัสนิสนทนาพระอาจารย์เพียบบุและก็พระม้าชาคาวโร ก, กันอีกค่ะ และนั่นก็คือพระพิบูลอภิปุโนจากวัดป่าดอนายโศกอุดรธานีซึ่งวันนี้ท่านก็ยังมีกำลังใจจากหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนะคะหลวงพ่อดออรสะอาดจากวัดป่าดอนไยโศกจกังหวัดอุดรธานีเช่นเคยเรามากราบนมัส ก, การลาหลวงพ่อไปพร้อมๆกับพระอาจารย์พิบูลเลยนะคะนมัส ก, การค่ะ ท่ฝังที่ครบคะส่วนรายการของเรานะคะก็ยังขอที่จะใช้เวลานี้ในการบอกบุญทอดกรถิ่นของสองวัดที่พระคุณเจ้ามาร่วมจัดในรายการนี้ก็คือวัดป่าดอนายโซอุดรธานีจะทอดกรถิ่นวันปิยะมหาราชใครที่สะดวกจะขึ้นไปทําบุญที่นั่นเลยอยู่ที่อำเภอหนองหานไปไม่ยากหรอกนะคะก็ได้ส่วนอีกวัดหนึ่งก็คือวัดนาปะาโลําลูกาคลองสิทธิ์ที่พระมาร์ชาคาวโรพระรูปแรกในรายการ กับพระอาจารย์คริสติโสธิพโลที่ได้มอบหนังสือให้กับพวกเราเป็นประจำทุกวันเวลา3าเล่มทาง022690006 น, น, นะคะพระอาจาพอกระถิงในวันที่16ตุลาคมค่ะส่วนท่านที่สะดวกที่จะทำบุญในลักษณะของการขอบัญชีของทางวัดและโอนไปเนี่ยเราก็ฝากเอาไว้แล้วนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวแห่งนี้ค่ะ โทรกันเข้ามาที่022690006เหมือนกันและสำหรับท่านเพรือเองเนี่ยนะคะเสาวทิตย์ท่านทั้งหลายไปพบท่านเพรณ์ได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและอย่าลืมวันจันทร์กลับมาพบกับเรานะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะพุ้ทวีตสวัสดีค่ะ